ปีนี้เป็นปีพุทธศักราชคําว่าพุทธศักราชมาจากไหนได้ยินเคยเคยเค ย, เคยรู้ไหมพุทธศักราชคําว่าศักราชเนะี่ยถ้าเขียนเป็นไทยก็ศั ก, กราชหรือศั ก, กราชาในความหมายภาษาไทยถ้าแปลแบบออกไทยคือพระเจ้าศักกะแปลว่าพระเจ้าศักกะพระเจ้าศักกะเนี่ยเป็นคนนับเป็นคนแรก ด้วยวิธีศักกะราชนับอะไรนับปีที่พระพุทพธเจ้าปัณริณิพานมาว่ากี่ปีพุทพธเจ้าปณริณิพานไปหนึ่งเดือนก็นับว่าพุทธ ศ, ศักศราชหนึ่งเดือนครบปีพุทธศักราชที่1ศักราชที่2ที่3มาเรื่อยปีนี้เป็นปีพุทธศักราชที่2552ก็เท่ากับ ว, ว่าพระพุทพธเจ้าปัริณิพานมาสองพันห้าาสิบสปี แต่วันปรินิพานไม่ใช่วันที่หนึ่งมกราคมแต่เป็นวันเพนเดือนวิสาขะหรือเดือนพฤษภาคมโดยประมาณนั้นถ้าจะนับครบรอบว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานมานานเท่าไหร่กี่ปีเนี่ยต้องนับที่วันวันเพนเดือน6ผู้ผานนับเป็นคนแรกก็เลยนับมาเรื่อยนับมาเรื่อยส่วนภาษาไทยเนี่ยถ้านับปีของพระพุทธเจ้าก็ปีพุทธศกราช เขาว่าพระเจ้าสการ์เนี่ยยังอุตส่าห์ไปนับในลัฐที่อื่นเลยนะอย่างปีของคริสเขาเราก็บอกว่าปีคริสตศักราชยังมีศักราชด้วยนะยังมีศักราชด้วยศักราชนี้พระเจ้าสการเนี่ยไม่ได้พานับปีคริสเพียงแต่ว่าเรานับเทียบกับพุทธศาสนาแล้วจะเป็นปีพุทธศักราชนี้เท่าคริสตศักราชนี้ห่างกัน543ปีอะไรประมาณเนี่ยนะ ที่กล่าวถึงเนี่ยเพื่อจะกล่าวถึงให้เห็นว่าวันพรุ่งนี้ที่จะมาถึงเป็นวันมาฆบูชาวันสําคัญที่สําคัญที่สุดสามลำดับในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันมาฆบูชานี่ก่อนเพื่อนเป็นวันเพนเดือนสวันวิสาขะเพนเดือน6วันอาสาหะเพนเดือน8 นะเป็นวันเพนทั้งหมดวันเพนก็คือข้างขึ้น15คห้าแต่ข้างแรมอาจจะมี14หรือ15แต่ข้างขึ้นต้อง15ทั้งหมดข้างแรมเดือนคู่กับเดือนคี่ไม่เท่ากันเดือนคี่เนี่ยสิบห้า่เดือนคู่เนี่ยสิบ่ค่ำนะไม่เท่ากันทีนี้มาดูว่าหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสสังรู้แล้วประทับเสวยมุติสุข7สัปดาห์เลื่อยไปเลื่อยไปจนถึงสัปดาห์ที่7 เมื่อบังพิจารณาดูธรรมที่ได้ตรัสรู้เห็นว่าธรรมที่ตรัส ร, รู้นั้นนะ่ยยากสำหรับบุคคล ท, ทั่วไปที่มีปัญญาน้อยจึงไม่อุตสาหะที่จะแสดงธรรมเท้ามหาพรมมีสี่องค์มอบหมายให้เท้ามหาพรมองค์หนึ่งซิมมันลงมาเมืองมนุษย์ที่สุดก็คือเท้าสหัมปติธร้ามหาพรมจะมีสี่องค์ ดังนั้นเราเวลาเราเห็นเขาปั้นรูปพระพรหมเนี่ยจะมีสหน้าสหน้านี้บางคนบอกว่าเท่ากับพรหมธรรมหรือพรหมวิหารธรรมสประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็เลยปั้นรูปเท้มหาพรหมสีหน้าอันนี้ตามทฤษฎีของพุทธศาสนาแต่ว่าพรหมนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาอย่างเดียวมีมาก่อนพุทธศาสนาเกิดเป็นเท้ามหาพรหมสองค์ก่อนพุทธศาสนาจะมาอ้างอิงด้วยวิหารธรรม สประการเดี๋ยวผมมีหารสี่ปการเนี่ยมีเท้ามหาพรหม4องค์แล้วเขาปั้น4หน้ามาทั้งก่อนพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นดังนั้นพรหม4ีหน้าพรหมสีหน้าเนี่ยไม่ได้หมายถึงเมตตากรุณามุทิตาวเบิดขาตามทฤษฎีของพุทธในปัจจุบันแต่หมายถึงเท้ามหาพรหมมีสี่องค์นะหมอกไพ่เท้าสหัมบอดีพรหมเป็นองค์แทนในโลก3โลกก็คือพรหมวโลกต่ําลงมาหน่อยก็เทววโลกต่ําลงมาหน่อยก็มนุสสโลก ท้าสามบอดีแรงครับมอบหมายจากเท้ามหาพรหมอีกสาให้ลงมาเป็นตัวแทนของโลกทั้งสเพราะคําสวดเมื่อกี้บอกแล้วพระมาจะโลกาทิปฏิโลกาทิปฏิผู้เป็นใหญ่ในโลกในที่นี้หมายถึงโลกทั้งสามโลกทําไมจึงเท้ามหาพรหมจึงเป็นใหญ่ในโลกทั้งสมโลกเพราะเทวโลกก็ดีมนุษยโลกก็ดี จะยกย่องเท้ามหาพรหมว่าเป็นเลิศที่สุดถ้าลไล่ภูมิไปสิชั้นภูมิมาสิไล่จากมนุษย์ในสุขติภูมิไล่ไปถึงเทวโลกชั้นกลางมภูมิก็ตามไล่ไปไล่ไปจนถึงพรหมโลกเลยพรหมโลกไปไม่มีละก็ต้องกลับมาเป็นพระอาหารหันตสาวกละสูงขนาดนั้นไม่มีนั้นชั้นภูมิสูงสุดคือเท้ามหาพรหมก็เลยบอกว่าเท้าสามบดีเนะี่ยเป็นตัวแทนของพรหมและเทวดาพร้อมทังมนุษย์ลงมา อ้อนวอนพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมโดยเหตุผลที่ทํามหาพรหมนำเสนอพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธเจ้ายอมรับนั้นคือบอกว่าอั ป, ป ร, รักอ ป, ปราชักาชาติกา <c oughs> คนที่เกิดมาแล้วมีตาเปื้อนฝุ่นละอองทุลีเล็กๆในน้อย <c oughs> ก็หมายว่าตาจะใกล้จะสว่างแล้วแต่ว่ามันยังมีทุลีแปดเปื้อนอยู่นิดหน่อยยังพอมีอยู่ในโลกนี้ย เพียงพุทธเจ้าไปเช็ดไปล้างหรือไปขี่ฝุ่นละอองที่ตาออกก็จะมองเห็นได้เลยท้ามหาพรหมเสนออย่างนี้พระพุทธเจ้าพิจารณาดูจึงมาแบ่งอัธยาศัยของมนุษย์สโลออกมาเป็นส่วนส่วนว่าใครอยู่ในส่วนไหนจึงเริ่มแสดงธรรมอันนั้นเล่าถึงว่าคำว่าท้าวสหัม บ, บดีพรหมลงมากราบอาตนาพุทธเจ้าให้แสดงธรรมเนี่ยมีมากี่ปีแล้ว ก็ต้องนับปีพุทธศักราช2552บวกเข้าไปอีก45ปี45ปีนั่นแหละแต่ถ้านับ45ปีหักออก2เดือนก็ไม่เป็นไรหักออกเดือนกับ3สัปดาเพราะวันที่ทําหาพรหมมาราธนาพรธเจ้าเนี่ยพุะิเจ้าปรินิาพรเจ้าตรัสสรุปแล้วสัปดาห์ที่7ใช่หสัปดาห์ที่7ก็1เดือนกับ3สัปดา ดังนั้นปีที่ส5้าอาจจะขาดไปหนึ่งเดือนสบ3สัปดาห์อนะไรนแต่ก็นับเป็นปีนั่นแหละง่ายดีนะกี่ปีแล้วสองันห้าร้5ยห้าสิบบวกกับสี่สิบห้าสองพันห้าร้ยเก้าสิบเจ็ดปีมาแล้วคำนี้เมือ่อสองแล้วทำไมจึงมาว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เล่าให้ฟังว่าถ้าจะมีการแสดงธรรมไม่ใช่ธรรมของพระที่กําลังแสดงอยู่ในสมัยนี้แต่เป็นการยกเอาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้ในการก่อนเนี่ยมาแสดงต่ออีกทีหนึง่งดังนั้นวิธีแสดงธรรมเนี่ยท่านจึงจะต้องยกบาลีขึ้นตั้งก่อนเสมอบาลีขึ้นตั้งตั้งมาตั้งมาตั้งมาว่าวันนี้จะแสดงธรรมเรื่องอะไรก็ยก บาลีที่ผู้เจ้าแสดงเอาไว้เป็นศาสนสุภาษิตต่างๆมาตั้งก่อนแล้วใครนำบาลีข้อ น, นั้นมาอธิบายขยายความหมายถึงอะไรถ้าสมัยก่อนก็มไม่เป็นไรพูดบาลีเจ้าเจ้าเจ้าไปเลยคนฟังฟังเข้าใจเพราะพูดบาลีเหมือนกันฟังบาลีเหมือนมากมายจนบางทีขยายไปขยายมาลืมของเก่ากลับมาไม่ถูกเข้าใจไปแล้วแต่เขาอธิบายพวกเราได้ฟังนี่คือธรรมะที่แจกเอกสารไปเมื่อสักครู่นี้ เป็นหลักพร้อมกับแสดงองค์ความรู้ว่าถ้าเราได้รับสิ่งนี้แล้วความรู้ที่เราจะได้รับนะั้นเป็นอย่างไรและจะนำไปสงเคราะห์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรนี่คือสา ร, ระสาคัญการฟังภาษาไทยเข้าใจไม่ได้หมายความว่าเข้าใจธรรมะที่พูะเจ้าแสดงเพียงแต่ว่าภาษาที่สื่อนั้นนะถูกใจเราเท่านั้นเอง นั่นถ้าจะน้อมใจให้เข้าถึงธรรมะจริงเมื่อเชื่อว่าเราฟังภาษาไทยเข้าใจหลักธรรมแล้วทําไมเรายังไม่ยังไม่เป็นพระโสดาบันบุคคลฟังมาบ่อยก็เข้าใจทุกทีล่ะนะฟังมาแล้วก็เข้าใจฟังแล้วเข้าใจทําไมยังเป็นปุุ้ชนอยู่ทําไมโสดาปฏิมาขยานยังไม่ปรากฏทําไมเมื่อเห็นอะไรเกิดแล้วทาไมไม่เห็นมันดับไปพร้อมๆกันต่างๆเหล่านี้วันนี้จะมาจัดลําดับขององค์ความรู้ ที่ได้จากการฟังธรรมให้เห็นชัดเจนดละนะั้นให้หยิบเอกสารแผ่นเมื่อกี้ที่แจกไปมาว่าโอวาทปาติโมกพร้อมกันโอวาทปาติโมกนี้พระพุทธเจ้าถามว่าโอวาทปาติโมกเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงเมื่อไ่ก็นับ2552นี่แหละบวกไปกับอีก44ปี ก็คือลบออกปีหนึ่งเมื่อกี้นับได้ 2,597 ลบออกปีหนึ่งก็เหลือ 2,596 ตอนนั่งรถมาโยมโยมวันธนาหรือโยมที่พูดถึงว่ า, วาฟังสถานีวิทยุคืนทหารเมื่อเช้านี้เขาพูดถึงว่าหลังจากผู้ที่เจ้าแสดงโอวาถ้าปาติโมกแล้ว3เดือนเขาปารีนิพานโยมก็เลยมาถามว่าเป็นอย่างนั้นเหรอท่าน ผู้เจ้าแสดงโอวาทปาติโมกแล้วอีก44ปีจึงปรินิพานนะ4ีปีกับ2เดือนนะจึงปลินิพานคุณง่ายนะเอาละหยิบเอกสารขึ้นมาแสดงโอวาทปาติโมกที่ผู้เจ้ายกมาแสดงท่านไหนว่าพร้อมกันสัพพปาปัสสะลองว่าสิสัพพปาปัสสะอ่างกระนัง กุศลสูปสัมปทาสะจิตขันตีปัณธมงตะโปตีติขานิพพานังปังระมังวทันติพุทธา ทั้งหมดที่ได้ว่าไปเมื่อสักครู่นี้คือโอวาทปาติโมกสิบสข้อนะสิข้อมีปากกาไหมจะบอกให้จดไว้ว่าข้อหนึ่งอยู่ตรงไหนข้อ2อยู่ตรงไหนข้อ3อยู่ตรงไหนจนถึงข้อสิบสามเราอยู่ตรงไหนอ๋อในหนังสือก็มีนะโยมนะในหนัง ส, สือก็มีน า, นะน า, นา48นะในหนังสือเล่มใหญ่สดมนก็มีนา48 แต่ก็หยับเพิ่งจดลงไปแล้วเดี๋ยวจะไปเลาะหนังสือขีดใส่เอกาสาร น, นี่แหละใครมีปากกาขีดใครไม่มีปากายืมเพื่อนในในหนังสือที่อยู่นหน้า48ะะมีบอกเป็นอย่างๆไว้ไมมีบอกเป็นอย่างนะครับอ๋ออ่ามีมีบอกเป็นอย่างๆไว้แหละเดีเรียบร้อยในหนังสือทั่วๆไปเนี่ย จะพิมพ์ออกมาว่ากุศลสัพะะุปสัมปทาใช่มั้ยอันนี้เป็นอะไร48อ48 อ, อันนี้เป็นถูกครกุศลศูนย์เนี่ถูกฉบับพิมพ์ในกุศลสัพะะุปสัมปทาเนี่ผิดนะบาทที่หนึ่งของคาถาแรกเนี่ยเป็นข้อที่หนึ่งสัพพปาปะสะกัลนังเนี่ยเป็นโอวาทข้อที่หนึ่ เลหนเอาไว้นะตั้งแต่นี้ถึงเนี้ยเป็นเลข1กุศลสูปสมบัติเนี้ยเป็นโอวาทข้อที่2อสจจิตะปริโยธาปนังเป็นโอวาทข้อที่3อันนี้3ามคาถาแรกมี3โอวาทต่อไปคาถาที่2ขันตีปรมังตโปตีติขาทั้งแถวเลยเป็นข้อที่4ข้อที่4เอตังพุทธานัสสาสนังนะั้นไม่ใช่ อย่างพุท ธ, ธานสานาเป็นคําสรุปว่านี่แหละคือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้อที่4ก็คือขันตีปรมังตโปติติขาอนี้4นะข้อ5นิพพานังปรมังวทันติพุท ธ, ธาข้อ6นัสมโนโหติอะไรนะนัิปภะพิโตปังรูปคาตีนหิปภะพิโตปังรูปคาตีนี่เป็นข้อที่7 สี 4, 5, ่เอาข้อที่หกเอข้อที่หข้าไปข้อที่หต่อไปสัมโนโหติวิเหทยันโตเป็นข้อที่7จนี่เแล้วต่อไปข้อที่8นะข้อที่8ก็คืออนูปวาโตสั้นๆแค่นี้นะอันเดียวเลยนะอนูปวาโตข้อที่9อนูปคาโต อนุวาโทอันหนึง่งอนุปคาโตอันหนึง่งต่อไปอะไรนะต่อไปปาติโมโเขจะสังวังโรอันนี้รวมกันปาติโมโเขจะสังวงโรนี่อีกอันหนึง่งเป็นข้อบปาติโมเขจะสังวัโรข้อ1ข้อ 11. มัตตัญยุตาจะพัตตสมิงมัตตัญยุตาจะพัพตตสมิงด้วย มัตตัญยุตตาจจพตัตตสมิงนี่ข้อเท่าไรแล้วข้อ11ต่อไปปันตัญจะสยนาสนังข้อ12แล้วก็อธิจิตเตจะอาโยโคในี่ข้อ13มี13ข้อวันพรุ่งนี้เช้าเราตื่นมาก็จะเป็นวันมาฆบูชาดังนั้นก่อนจะถึงวันมาฆบูชาเนี่ยควรจะได้รู้หลักธรรมเกี่ยวกับวันมาฆบูชา เพื่อนเราจะได้น้อมนำไปปฏิบัติแลว้วก็หวนระลึกถึงเมื mm ่อพระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่หนึ่งที่ป่าอิิป ต, ตนะมังรฤทธายวันเมืองพางราสีเมื mm ่อ hmm. ออกพรรษาได้พระอรหันตสาวก60รูปแล้วได้ส่งไปประกาศศ า, ศา au, สนาพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่รุเวลาเสนานิคมเพื่อโปรดชดิน3าพี่น้อง แล้วก็พาชดิน3พี่น้องได้บวชเป็นพิสุพร้อมทั้งบริวาร1 0 0 0คนสเสด็จไปที่เมืองราชคฤห์ตามคําปฏิญญาของพระเจ้าพิมิสารที่เคยให้ไว้ก่อนจะตัดสัตรู้ั้ง5ปีนะดังนั้นเมื่อเดินย้อนทางกลับไปที่เมืองราชคฤห์พระเจ้าพิมิสารทรงทราบก็นําบริษัทบริวาร1 2ึ0 0หคนออกต้อนรับสเสด็จได้ฟังธรรมเทศนาเรื่องอนุปูพีกถาบรรลุปเป็นพระโสดาบัน เดี๋ยวจะเน้นเรื่องความเป็นพระโสดาบันให้ฟังวันนี้ว่าเป็นอย่างไรหลังจากนั้นพระเจ้าพิมิสารได้กราบทูลให้พระเจ้าเสเด็จเมืองราชครึกถวายอุทยานหนึ่งในสแห่งคือกาันทะกะวาปีซึ่งเป็นสวนไม้ไผ่เรียกว่าพระเวรุวันมอบถวายเป็นอางกรามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเป็นประราชาสร้างถวา ย, ยาเรียกว่ามหาวิหารจึงเรียกเต็มๆว่า พระเวรุวันมหาวิหารวันที่พระพุทธเจ้ารับวัดพระเวรุวันมหาวิหารนี้พระเจ้าวิมินสารถวายวัดด้วยการกรวดน้ําใส่พระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าวิมิสารยกรันสุวรรณการันตะสุวรรณการันตะเนี่ยเขแปลว่าที่กรวดน้ําทองคำเขาเรียกว่าเยือกทองนะถือมาแล้วก็ขอให้พระพุทธเจ้ายื่นพระหัตถ์มาพระหัตถ์ขวายื่นมา พระเจ้ามีประสานได้เทน้ําจากเหยือกน้ําทองคำเนี่ยหลั่งลงในพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าและเปล่งวาจาว่าน้ําที่ข้าพระองค์เทออกแล้วไม่สามารถจะไหลย้อนคืนได้ชั้นใดพระเวรุวันที่ข้าพระองค์น้อมถวายแด่พระพุทธองค์พร้อมทั้งภิกษุอรหันตาสาวกนี้จะไม่เรียกเอาคืนฉันนั้นเป็นการประกาศซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเป็นการถวายวัดพระเวรุวัน หลังจากนั้นผู้เจ้าก็เสด็จประทับจอมนสาที่พระเวรุวันด้วยไปประทับบนยอดเขาคิจกูดด้วยตั้งแต่เวลาที่มีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมาบวชผู้เจ้าก็ไปประทับจอมนสาอยู่ที่เขาคิจกูดท่านพระมหาโมคคัลลานะไปประพฤติปฏิบัติธรรมบรรลุเป็นอรหันต์ก่อนท่านสารีบุตรท่านพระสงรีบุตรเนี่ยมาบรรลุวันเพ็ญเดือนสมเมื่อพระสงรีบุตรบรรลุธรรมในขณะที่ฟัง พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่หลานตัวเองนะแก่หลานตัวเองภาษาลิบุตรได้ตรัสรู้ได้บรรลุเป็นพระอังรหันต์พอคล้อยบ่ายพระพุทธเจ้าได้พาภาษาริบุตรและพระมหาโมคคลานะเนี่ยเดินทางมาที่วัดพระเชอวัดพระเวรุวันเพื่อแสดงธรรมให้โอวาดแก่พิกษุทั้งหลายเมื่อมาถึงมีพิสูจที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดในที่ต่างๆบรรลุเป็นพระหัน์ แล้วได้รับการบวช ด, ด้วยเอหิพิคุต่อภูจชาทั้งหลายเนี่ยมาชุมนุมพร้อมกันอยู่แล้วในพระเวรุวันรวมกับท่านภาษากรีบุตรและโมคะลานะณนะเวลานั้นด้วยจึงมีพระอราหันต์ทั้งหมดถึง 1,250 องค์ซึ่งนับองค์รวมทั้งหลายแล้วก็เลยเป็นวันจาตุรงคัสันิบาตแปลว่ามีการชุมนุมกันเข้า4อย่างในวันเดียวกันซึ่งไม่เคยมีมาก่อน สี่อย่างที่ว่านี่ก็คืออย่างแรกเลยนะวันนี้เป็นวันเพนมาฆมาศวันเพนมาฆมาศนี้เป็นอย่างไรก็คือวันเพนที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วมีกลุ่มดาวมาฆมาโครจร อ, อยู่แนบชิดติดดวงจันทร์เขาเรียกว่าดวงจันทร์สวยเลิกดวงจันทร์สวยมาฆเลิกใกล้ที่สุดคือวันเพน อันนั้นจะแนะนำให้สังเกตนะเมื่อเดือนก่อนก่อนปีใหม่เขามีรูปอะไรนะเขาเรียกพระจันทร์กับดาวพฤหัสดาวศุกร์มีมีท้องฟ้ายิ้มใช่มท้องฟ้ายิ้มพระจันทร์ยิ้มนั่นแหละอันนั้นคือสวยเลิกนะสวยเลิกถ้าดูดีๆก็จะเห็นว่ากลุ่มดาวที่โคจรมาใกล้ดวงดวงจันทร์เวลานั้นเป็นกลุ่มดาวธนู เป็นกลุ่มดาวธนูซึ่งมีดาวเคราะ์และดาวเลิกหลายๆดาวรวมกันเข้าเป็นกลุ่มดาวธนูซึ่งเป็นช่วงของเดือนธันวาคมแปลว่าดวงจันทร์ที่มีดาวธนูเนี่ยโคจรมาสวยสวยเลิกดาวธนูดังนั้นคําว่ามาเสวยนะครับมีคําอยู่2องคำหนึ่งอาคมสองอา ญ, ญ์อคมกับอายต์แปลเหมือนกันว่ามามาอยู่ใกล้ๆดวงจันทร์ มีดาวกลุ่มไหนมาอยู่ ใ, ใกล้เขาจะเรียกว่าอาคมม้างอาโยนบ้างเพียง mm hmm. แต่ว่าไทยมาเปลี่ยนว่าถ้ามี3าก็เป็นอาคมซะไม่ถึง3าก็เป็นอาโยนซะถ้าไม่ถึง30ซะเลยก็เป็นอื่นไปที่ไม่ใช่อาโยนอาคมอะไรเนี่ยซึ่งอาโยนและอาคมแปลว่ามาเสวยถ้าช่วงเดือนนี้เดือนมาค้าบูชาเนี่ยเป็นกลุ่มดาวมาค้มาเสวยอยู่ข้างๆดวงจันทร์แล้วเดือนเดือนคุมภาพันเนี่ยมันเป็นเดือนที่ ไม่มี30ไม่มี31ซึ่งไม่ใช้คมไม่ใช้ยนต์ก็เลยเป็นกลุ่มพาพันธ์อะไรอย่างเงี้ย น, นะทีนี้มาดูว่ากลุ่มดาวมาฆะที่มาสวยนี่เนี่ยมันเป็นช่วงเดียวกับที่ดวงจันทร์เต็มดวงแล้วดวงดาวมาฆะสวยที่สุดดังนั้นองค์ประกอบที่หนึ่งของวันนี้เนี่ยวันจันทร์รงค์คสนิบาตเนีคือวันเพนเดือนมาฆมาศคือวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงแล้วเสวยเลิกมาฆะนั่นเอง แต่ยไปสนใจว่ า, วาเลิกนี้มันจะดีจะร้ายนั้นเป็นเรื่องของหมอดูเขาเดาวๆกันไปเอาไม่ใช่เรื่องของเรา เ, เรื่องของเราคือองค์องค์ความรู้ว่าทำไมจึงบอกว่าเป็นวันเพนเดือนมาฆะเนี่ยก็คือเป็นอย่างนี้นะองค์ที่สองอะไรนะองค์ที่2องค์งที่หนึ่งคือเป็นวันเพนเดือนมาฆะและองค์ที่สองอะไรมีภิกษุมาชุมนุมกันโดยไม่ได้นะัดหมายเนี่ยตั้งหนึ่ง มีภิกษุอรหันต์นะอระหันต์เลยนะมีภิกษุพระอรหันต์เนี่ยมาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายทั้งหนึ่งพอห้าอันที่สามภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสมบทาคือได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าทั้งหมดองค์ที่สามอ้องค์ที่สี่ภิกษุเหล่านั้นโ อ, โอว่าเนี่เป็ น, ปนไม่เป็นส่วนเกินมา ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดล้วนได้อภิญญาหไม่มีรูปไหนเลยไม่ได้อภิญญาได้อภิญญาหกเหมือนกันหมดเมื่อจาตุนรงคสนิบาต ค, คือองค์สี่เนี่ยมาชุมนุมกันเข้าในวันเดียวกันจึงเป็นโอกาสเหมาะที่พระพุทธเจ้าจะแสดงโอวาทปาติโมกถ้านับว่าโอวาทปาติโมกเข้าไปด้วยเนี่ยเป็นองค์ที่5หมายความว่าองค์สี่เนี่ยเป็นเหตุทําให้พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมก นะเมื่อปัจจุบันนี้เราก็บอกว่าเป็นวันที่มีองค์ที่ผู้เจ้าแสดงโอวาทปาติโมกนะเนี่ยนะทีนี้มาดูว่าโอวาทปาติโมกที่พูเจ้ามาแสดงเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าโอวาทปาติโมกเพราะปาติโมกจะมีอยู่สองอย่างนะโยมนะปาติโมกมีสองอย่างหนึ่งปาติโมกที่ชื่อว่าโอวาทปาติโมกสองปาติโมกที่ชื่อว่าภิกุปาติโมกหรืออาณาปาติโมก อันนี้ในพระไตรปิฎกพระวินัยภิคุวิพังได้แสดงเอาไว้อาณาปาติโมกกับโอวาทาปาติโมกโอวาทาปาติโมกเนี่ยมีแสดงในที่ไหนพระพุทธเจ้าทย้อนหลังไปสัก7พระองค์นะพระพุทธเจ้า7พระองค์เนี่ยมีพระพุทธเจ้าพันนามว่าวิปัสสีสิขีเวสภูกะกุสันทโกนาคมณนะกัสสปะและโคตมะพระพุทธเจ้า1องค์คือวิปัสสีอุบัติขึ้นเมื่อนับย้อนหลังไป91กับ ผู้ที่เจ้าพระนามว่าวิปัสสีและเวสภูอุบัติขึ้นเมื่อนับย้อนหลังไป31มสบเอ็ดกับผเจ้าอีก4องค์คือกากุสันทาโกนาคมาะกัสปะและโคตมะอุบัติขึ้นในกับนี้ชื่อว่าพัทธกับหรือพัทธรกรับเนี่ยผู้เจ้าทั้ง7พระ อ, องค์เนีน่นะโยมนะถ้านับย้อนหลังไปผู้ทีเจ้าวิปัสสีในสมัยของผู้เจ้าเองเนี่ยพระผู้ทีเจ้าเองมีพระชนมายุแ0 0 0มื่นปีผู้เจ้ามีอายุ 80,000 ปี ผู้เจ้าพนามว่าวิปัสสี 80,000 ส่วนสีขีในเจ0 0 0มนเวสภูหกห0 0่นพระผู้เจ้าพระนามว่ากากุสันทะห0 0 0มืู่้ทีเจ้าพนามว่าโกนาคมปนาสี0 0 0ื่นผเจ้าพระนามว่ากัสปะ3 0,000 ส่วนผู้เจ้าองค์ปัจจุบันที่ผู้เจ้าตรัสเองนะมีปรากฏในมหาวิมหาวักพระไตรปิฎลเล่มสิบลองไปเปิดอ่านดูผู้เจ้าองค์ของเราปัจจุบันผู้เจ้าบอกว่าเราจะมีอายุหนึ่งกับ คำว่าหนึ่งกับเนี่ยหมายถึง100ปีไปสอดคล้องกับคำที่วันพระเจ้าปรงพระชนมายุสังขารถ้าท่านพระอานน์ได้เข้าเฝ้ากราบอ้อนวอนพระพุทธเจ้าให้บำเพ็ญอิทิบาท4พระพุทธเจ้าจะมีพระชนยืนยาวถึงหนึ่งกับอย่าไปคิดอะไรว่าหนึ่งกับนะโอ้โหหลายหมื่นปีไม่ใช่100ปี เพรเป็นอายุกับเพราะกับมีมีหลายประเภทกับอายุกับในสมัยนีย้อายุ100ปีคือหนึกับหมายถึงว่าใครมีอายุเต็ม100เนี่ยมีอายุได้1กับนะส่วนพระพุทธเจ้าปัจจุบันตอนอายุเท่าไหร่แป <80 S 1> <80 S 2> ไม่ถึงกับเห็นไหมจึงบอกว่าท่านถ้าท่านพระนอนนท์อ้อนวนในพระุทธเจ้าบำเพ็ญอิทธิบาทสี่หรือเจริญอิทธิบาทสีขึ้นมาเนี่ยก็จะอยู่ได้ถึงหึ่งกับก็คืออยู่เกิน80มาจนถึง100ปีดังนั้นตรงนี้เนี่ย เป็นโอกาสที่ผู้เจ้าแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งได้ว่ากันไปแล้วเมื่อสักครู่นียเดี๋ยวจะมาชี้เห็นแต่ละจัดอย่างแต่ละอย่างว่ามีความสำคัญอย่างไรคาถาท่าโ ok, อวาทปาติโมกย่อที่สุดนะถ้ายอที่สุดเนี่ยคาถาแรกคาถาเดียวมี3มี3ข้อข้อ1ก็คือไม่ทำกรรมชั่วทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทาบาปทั้งปวงทั้งหลายเนี่ยนะข้อ2ก็คือทากุศลให้ครบถ้วน ข้อที่3คือชําระจิตของตัวเองให้ใสสะอาดหมดจดใน3ข้อนี้นักปราชญ์ทั้งหลายท่านมาย่อให้เห็นชัดๆว่าการแสดงว่าไม่ทําชั่วทุกอย่างเนี่ยหมายถึงพระวินัยปิฎกทํากุศลทุกอย่างให้ครบถ้วนหมายถึงพระสุดตันตปิฎกชําระจิตให้หมดจดขาวสะอาดน ห, หมายถึงพระวิธรรมปิฎกนั่นคือว่าโดยหมวดหมู่คําสอนที่แบ่งอยู่ในพระไตรปิฎกในที่ต่างๆ แต่ถว่าโดยสภาวะธรรมจริงไม่ได้ไปนับ น, นะว่าพระวินยัยปดกสองหมื่นหนพระสุนตตะ 21,000 พระวิธรรมไปดก 42,000 จําไม่ไหวแต่มาว่าโดยประมวลแล้วเนี่ยคำว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงในที่นี้คำบอกว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงหมายถึงการระวังไม่ให้จิตตุ บ, บาทใดๆเกิดขึ้นโดยมุ่งการทําบาปด้วย3มทวาร ไม่ให้จิตเกิดขึ้นว่าจะทําบาปทางกายที่เป็นกายทุจริตรักษาจิตไม่เกิดจิตตุบาทไม่ให้เกิดแนวความคิดขึ้นมาว่าจะทําวจีทุจริตคือทําบาปทางวาจาและรักษามโนโอเอาของตัวเองเอาไว้ไม่ให้เกิดจิตตุบาทขึ้นเป็นมโนโทุจริตกายทุจริตมี3วัจีทุจริตมี4 ม, ม่โมทุจริตก็มี3 3อย่าง4อย่างกับ3อย่างบวกกันครับแล้จะเป็น10พอดี ท่านเรียกว่าอากุศลกรรมบส1บบ้างเรียกว่าทุจริตสิบบ้างสิบข้อเนี้ยใครก็ตามพยายามระวังไม่ให้จิตตุบาทคขาว่าจิตตุบาทไหมถึงขณะจิตแรกที่เกิดแนวความคิดขึ้นว่าจะทำดีหรือจะทำชั่วถ้าจิตตุบาทแรกเกิดขึ้นอย่างไรแล้วจิตที่เหลือจะสอดคล้องคล้อยตามไหลตามกันไปได้เลยถ้าจิตแรกเกิดขึ้นราคาญคนนั่งอยู่ใไข่ ตลอดระยะเวลาที่นั่งอยู่ค้นจกอก่อลูกนี้จะราคาญอยู่ตลอดเลยถ้าจิตตุบาทแรกจะเอื้อเฟื้อคนที่นั่งอยู่ข้างๆตั้งตลอดจนกว่าจะเลิกนี้จะการเนี่ยคิดเอือเ้อเฟื้ออยู่ตลอดเลยดนะังนั้นท่านบอกว่าจิตตุบาทที่หนึ่งหมายถึงขณะจิตแรกที่เกิดขึ้นในด้านกุศลหรืออกุศลก็ตามมีความสําคัญมากดังนะั้นคำว่าสัพพปาปัสสะกระารังในความหมายเนี่ยพยายามรักษาจิตแรกเนี่ยอย่าให้ เกิดบาปอกุศลขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยบาปอกุศลหรือทุจริตที่เกิดทางใจมันมีอยู่3อย่างนะหนึ่งก็คืออยากได้เกิดความอยากได้ขึ้นมามันมีความเข้มข้นไปทางความมีความโลภไปทางโลภะไปทางกามมาราคะไปทางตัณหาไปทางความโลภอันหนึ่งเนี่ยนะท่านเรียกภาษาพระวะอภิชา คือจิตนี่มันมุ่งไปเพื่อจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งจากคนโน้นจากคนนี้มุ่งจะเอาของเขามาเป็นของเราบ้างมุ่งที่อยากจะได้ของใครๆที่เขามีอยู่มีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเกิดอภิชาขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าจิตบาปเกิดขึ้นแล้วนะมันเกิดไปด้วยอํนานาจของความโลภนะแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นอำ น, นาจด้วยอำนาจของความโลภล่ะมันก็เป็นมโนทุจริตอย่างที่2พยาบาทจิตเกิดขึ้นมุ่งไปในด้านมีโทสะเป็นสําคัญ ความเข้มข้นเน้นไปที่เรื่องโทสะเริ่มตั้งแต่เกิดขัดเคืองนิดๆหน่อยๆก็ค่อยๆขัดเคืองมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นบาปที่เกิดขึ้นเป็นทุจริตที่เกิดขึ้นในจิตเท่านั้นโลภก็เกิดในจิตเท่านั้นยังไม่ให้โทษกับคนอื่ น, ใ ห, น, นให้โทษกับตัวเองอย่างเดียวนะแล้วก็พยาบาทคิดร้ายปองร้ายกัเมนกันเกิดขึ้นมันก็ทำรายจิตตัวเองคนเดียวไม่ไปทร้ายคนอื่นอย่างที่ 3. มิจฉาทิฐิ เพราะความไม่รู้อะไรๆไม่สามารถจะวินิจฉัยแยกถูกผิดได้เห็นรูปก็ไม่ทันได้พิจารณาได้ยินเสียงก็ไม่ทันพิจารณาว่าอันไหนควรไม่ควรก็หลงเคลิมตามชอบบ้างชังบ้างเนี่ยนะเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นบาปที่เกิดขึ้นในจิตของตัวเองเท่านั้นยังไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นแต่เมื่อไร3สมสมุดฐานนี้ออกมาทางกายหรือวาจา มันก็จะกลายเป็นกายทุจริตหรือว่าจีทุจริตซึ่งจะเป็นผลทั้งตัวเองและผู้อื่นไปด้วยมันจะเป็นให้เกิดกายกรรมมาอีก3กายกรรมตอนแรกขัดเครืองอย่างเดียวไม่พออาจจะฆ่าด้วยบางทีโลภอย่างเดียวไม่พออาจจะฆ่าเพราะอยากได้ด้วยใช่ไหมดังนั้นไม่ว่าจะโลภไม่ว่าจะโกรธไม่ว่าจะเป็นอภิชาหรือพยาบาทก็ตามที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดการเบียดเบียนสัตว์อื่น หรือฆ่าสัตว์อื่นหรือทำร้ายผู้อื่นเพื่อจะให้ได้เพราะความเกลียดชัง<ม>ใช่เพราะอยา ก, กได้ก็ฆ่าได้เพราะเกลียดก็ฆ่าได้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นกายทุจริตแล้วมันก็จะส่งผลร้ายทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นไปด้วยหรือถ้าเกิดโลภมากๆแล้วก็ฆ่าไม่ได้ก็อาจจะล่อลวงหลอกลวงคดโกงช่อโกงหรือใช้อุบายอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้ได้มาชอบก็ตามไม่ชอบก็ตาม แต่ก็ได้มาเพราะความอยากจะได้อยู่ภายในเป็นอกุศลอยู่แล้วนะความอยากได้เป็นอกุศลอยู่แล้วถ้าใช้วิธีของร่างกายให้ได้มาเนี่ยมันก็จะเป็นบาป ท, ทางกายไปด้วยหรืออีกอย่างหนึ่งเพราะความอยากหรือความไม่อยากอะไรก็แล้วแต่ก็ไปร่วงเกินชายหรือหญิงอื่นที่เขามีเจ้าของแม้หญิงหรือชายนั้นเป็นผู้เดียวไม่มีที่พึ่งอย่างอื่น บีดาไม่มีมารดาไม่มีเป็นคนกัมพระเป็นคนยากไร้อนาถาไม่มีที่พึ่งพิงก็ล่วงเกินไม่ได้เพราะผู้นั้นมีธทรำรเป็นเครื่องคุ้มครองอยู่เขาเรียกว่ามีวัฒนธรรมอันดีงามของโลกเขาคุ้มครองอยู่ใครล่วงเกินก็ถือว่าผิดได้เหมือนกันเป็นคาเมสุวิช า, าจารย์ได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องของกายกรรมซึ่งมันจะส่งผลร้ายทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นที่เราแสดงออกมาทางกายเกี่ยวข้องใครความร้ายนี้ก็เกี่ยวข้องกับคนนั้นด้วย ดังนั้นโทษจึงมีทั้งสองส่วนโทษทั้งแก่ตนโทษทั้งแก่ผู้อื่นถ้าโทษนั้นเป็นอกุศลนิบากที่จะตามตอบสนองเรามันก็จะมาทั้งสองส่วนเลยนะมาสองส่วนจะเป็นโทษที่รุนแรงทั้งทางคดีโลกทั้งทางคดีธรรมแต่ถ้ามันไปออกทางวาจาล่ะมันไม่ไปออกทางกายแล้วตอนนีไ้ไปออกทางวาจาเพราะความโลกครอบงําจิตก็ดีเพราะความพยาบาทครอบงาจิตก็ดี อาจจะทำให้วาจาเนี่ยกล่ามดเท็จขึ้นมาได้เก่าโกหกได้หลอกเขาได้พูดไม่จริงได้ก็จะเป็นวจีกรรมที่เป็นทุจิิตอย่างที่หนึ่งก็คือพูดเท็จบางคนไม่ชอบพูดเท็จแต่ว่าชอบพูดให้เขาแตกแยกกัน เขาเรียกว่าพูดส่อเสียดเริ่มตั้งแต่กล่าวติชิ้นนินทานินทาคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งฟังนินทาคนนู้นให้คนนี้ฟังมุ่งว่าจใจสองคนเขาแตกกันไม่ให้เข้าใจกันให้เข้าใจผิดซึ่งกันและกันเป็นหลักสําคัญอันนี้ก็เป็นวั จ, จีทุจริตขึ้นมาได้หรือเป็นคนที่ก้าวร้าวหยาบกระด้างผงผางวกเวกโวยวายโกรธจะทําให้พูดคำหยาบไม่ง่ายก็เป็นวั จ, จีทุจริตหรืออยู่คนเดียวไม่มุ่งประโยชน์ไม่มุ่งโทษอะไรกับซึ่ง ถ้ามีคนเขาได้ยินเนี่ยมันก็จะมีโทษติดไปถึงคนอื่นด้วยก็จะกลายเป็นคนที่ขาดความเชื่อถือพูดอะไรมาเขาก็ไม่เชื่อฟังอย่างนี้เป็นต้นส่วนเหล่านี้เนี่ยประมวลมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นทุจริตซึ่งมันจะเกิดขึ้นที่จิตตุบาตออกไปทางกายรละวาจาเนเป็นองค์เสริมเข้าไปด้วยจิตตุบาต ท, ที่มันมันรุนแรงมากขึ้นมันมีกําลังของบาปมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้บาปนี้ไปทะลุออกทางกายบ้าง ไปทะลุออกทางวาจาบางเพราะมันล้นใจแล้วทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมมันเกินที่จะทนได้แล้วเนี่ยก็ทะลุออกไปดังนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าคําว่าสัพพปาปสัสสะคารณังเนี่ยคือระวังจิตตุบบาตแรกอย่าให้เกิดบาปอากุศลขึ้นนี่คือการไม่ทําบาป ท, ทั้งพวงเป็นอย่างนี้นะสกัดกั้นตั้งแต่จิตคิดเลยอย่าไปแก้ว่าจิตคิดจะทําทแล้วค่อยไปห้ามมืออย่าทํานะอย่าทํานะมันห้ามไม่อยู่นะต้องห้ามตั้งแต่ จิตยังไม่เกิดเลยเห็นไหมคำว่าสัพพปภาษากระหนังข้อแรกทีนี้มาดูข้อ2กุศลสูประสัมปทาทำกุศลทุกอย่างให้ถึงพร้อมกุศลแบบพื้นพื้นให้ทานไหมรักษาศีลไหมจงเริอนสมาธิภาวนาบ้างไหมอันไรคือให้ทานการสละ เพื่อบันเทาโลภะบ้างการสละเพื่อบันเทาโทสะบ้างการสละเพื่อบันเทาความตรหนีที่เหนียวในทรัพย์บ้างอย่างเนี้ยเคยทํำไหมหรือว่าเขาพาใส่บาตรก็ใส่ไปเ้าพาถวายอาหารก็ถวายไปเขาพาแจกเสื้อผ้าช่วยสังคมสก๊อ ช, ช่วยไปแต่ยังไม่มีวัตถุประสงค์ว่าจะทําไปเพื่ออะไรเนี่ยอันนั้นมันก็ทำเป็นการทำทำความดีเหมือนกันแต่ในนี้หมายถึงว่าอุปสัมปทานนี่แปลว่าต้องสมบูรณ์นะ องค์ของการทําความดีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานหรือรักษาศีลเนะี่ยองของความดีนะั้นต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะสมบูรณ์พอที่ผลของกุศลจะตามสนองเราได้ด้วยความเข้มข้นเต็มเปี่ยมไม่ขาดอย่างใดอย่างหนึง่งแม้จะให้ทานก็เหมือนกันบางทีการให้ทานที่เราให้บ่อยที่สุดเนี่ยให้เพราะรู้จักคุ้นเคยกับครูบาอาจารย์บ้าง คุเคยกับพระอาจารย์ตรงนี้ก็บทำทานกับพระอาจารย์ตรงนี้คุณเคยกับวัดนี้ก็ทําทานแต่วัดนี้อันนี้เขาเรียกว่าให้ทานยังไม่ครบองค์นะส่วนให้ทานครบองค์เนี่ยไม่ใช่การให้เพราะอะไรแต่เป็นการให้เพราะจะสละเพื่อบรรเทาราคะสละเพื่อบรรเทาโทสะสละเพื่อบรรเทาความตระณีเป็นเกณฑ์สําคัญนะถ้าเราสละไปที่ไหนแล้วทําให้เราละโลภ โกรธแล้วก็ความตณ์หนีได้สละในที่นั่นนี่คือการให้ทานที่สมบูรณ์รักษาศีลที่สมบูรณ์เนี่ยเป็นอย่างไรรักษาศีลที่สมบูรณ์เนี่ยคือการสำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาเป็นหลักเพราะศีลเน้นไปทิงเรื่องกายกับวาจาจิตตุบาทที่เกิดขึ้นคิดร้ายเขาคือร้อนละอุอยู่ภายในก็จริงแต่ยังไม่ขาดศีล น, นะศีล5ก็ไม่ขาดศีลแก็ไม่ขาดนะ โกรธเขาจะจัดร้อนเดือดปุ๊บปบอยู่ในใจตัวเองกรช่างยังไม่ขาดศีล น, นะเพราะศีลห้าศปเป็นเรื่องกํากับเกี่ยวกับกายและวาจาถ้ายังไม่ล่วงด้วยกายยังไม่ล่วงวด้วยวาจาเนี่ยยังถือว่ามีศีลอยนะนี่เรื่องของศีลแต่เรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องภาวนาเนี่ยไม่เกี่ยวกับกายวาจานะเรื่องของจิตล้วนๆฝึกอบรมจิตเพียงแต่ว่า การฝึกอบรมจิตบางอย่างเนี่ยเพื่อไม่ให้ทะลุออกไปทางกายการฝึกอบรมจิตบางอย่างเพื่อไม่ให้ทะลุออกทางวาจาการฝึกอบรมจิตบางอย่างเข้มข้นไปถึงป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในจิตตุบาทว่าจะคิดร้ายตั้งแต่แรกเลยจนไปเห็นว่าไอ้ที่มาเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยเพราะมันมีเชื้ออยู่ภายในการฝึกอบรมจิตเพื่อจะละเชื้อที่มันมีอยู่ภายในเหล่านั้นเสียตั้งแต่แรกเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ําอีกเลย อันนั้นก็เป็นขั้นสูงไปตามลําดับลาดับเป็นการจกเจริญมาภาวนาคําว่าเจริญภาวนาเราพูดทับความหมายอยู่สองคำคำว่าภาวนาก็แปลว่าเจริญคําว่าเจริญก็แปลว่าเจริญเจริญภาวนาก็คือเจริญเจริญนั่นเองเพราะภาวนาแปลว่าทําให้เจริญถ้าจิตตภาวนาก็ทําจิตให้เจริญถ้าเมตตาภาวนาก็ทําเมตตาให้เจริญถ้าสมาธิภาวนาก็ทําสมาธิให้เจริญมันหมายความอย่างนี้ ดังนั้ น, นคบว่ากุศลัสูปราสัมปทาเนี่ยกรรมที่เป็นความดีทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยทาให้ครบถ้วนเพียงแต่ว่าเราชอบการให้ทานก็อย่าทาแต่ให้ทานเท่านั้นรักษาศีลบ้างนะเราจะงรักษาศีลก็ชอบแต่จะรักษาศีลนั้นให้ทานมันเปิืองเงินเปิเืองทองรักษาศีลไม่ต้องเสียเงินเสียทองบางคนอาจคิดแค่นี้นะจเกิดสมาธิภาวนาดีกว่า ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรกับใครเลยทานก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองศีลก็ไม่ต้องมาคอยระวังกายวาจาอะไรยากดูจิตตัวเองอย่างเดียวเลยจิตมีราคะกองรู้จิตปราศจากราคะกองรู้ดูอยู่อย่างนี้เนี่ยอย่างเนี้ยเป็นการจเจริญภาวนาถามก่อนว่าให้ทานกับรักษาศีลอันไหนได้บุญมากกว่ากัน เจริญภาวนากับรักษาศีลอันไหนได้บุญมากกว่ากันทั้งให้ทานทั้งรักษาศีลไปเทียบกับเจริญภาวนาแล้วอันไหนได้บุญมากกว่ากันใช่เลยเอาเอาหมดเลยนะทั้งรักษาศีลด้วยทั้งให้ทานด้วยทั้งรักษาศีลด้วยทั้งเจริญภาวนาด้วยอันนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่ายิ่งได้บุญเหมือนกับภาวนาเนี่ยได้บุญร้อยรักษาศีลด้บุญ50ให้ทานได้บุญ25 ถ้าทําสาอย่างมันก็ได้เท่าไหร่ละหนึ่งร้อยอย่างนั้นใช่ไหมเอาเถะนะถ้ารักษาศีลดีกว่าให้ทานเราก็รักษาศีลเลยไม่ต้องให้ทานถ้าจเจริญภาวนาดีกว่าให้ทานรักษาศีลเราก็จเจริญภาวนาเลยไม่ต้องเสียเวลาให้ทานไม่ต้องเสียเวลารักษาศีน <c oughs> อุปมาง่ายบอกว่าเอาอย่างนี้โยมวันหนึ่งเนี่ยทานข้าวกี่คํา มือหนึ่งอะเอามือมือมือกลางวันคิดว่ามือกลางวันจะเป็นมือที่ทานหนักที่สุดของแต่ละคนเนี่ยยมคิดว่าหนึ่งมือที่ผ่านผ่านมาทุกวันทุกวันเนี่ยมือกลางวันยมทานข้าวขี้ขำสิบห้าคำโตรหรือเปล่าสิบห้าเนี่ยหรือ30มสมนอ้อยอิงเกินไปหรือเปล่าทำงานทันเขาไหมอา้าวอันนั้นก็เป็นเพียงความความ ความคิดแนวพูดจะกี่คำกว่าช่างแต่เฉลี่ยเอาง่ายนะถ้าสมมุติว่าหลายๆคนเฉลี่ยดูค่ากลางๆแล้วเนี่ยอยู่ที่20่สิคำอิ่พอดีถ้าเราจะคิดแบบคนมีปัญญาหน่อยเออคำแรกมันก็ไม่อิ่มคำที่2มันก็อิ่มกว่าคำแรกหน่อยแต่มันยังไม่อิ่มเต็มคำที่20ต่างหากทําให้อิ่มถ้าอย่างนั้น19บเาคำเราไม่กินดีไหมกินคำที่20เลยมันจะได้อิ่มสัทีเดียวดีไหม ปั้นคำแรกคำที่หนึ่งทิ้งไว้นี่ไม่กินปั้นคำที่สองเอาไว้นี่ไม่กินกินคำที่ยี่สิบเลยเพราะเราอิ่มด้วยคำที่ยี่สิบไม่ใช่เลยก็กินคำที่ยี่สิบให้อิ่มเลยดีไหมเออคิดว่าจะอิ่มไหมไม่อิ่มทําไมไม่อิ่มที่อุปมาเนี้ยเพื่อจะให้เข้าใจอุปมาแล้วจะมาเทียบเคียงว่าคนไม่ให้ทานเนี่ยนะอยากรักษาศีลไหม คนทานก็ยังไม่เคยให้ศีลก็ยังไม่เคยรักษาเนี่ยอยากจะเจเริญสมาธิภาวนาขึ้นบ้างไหมในจิตจุบานเนี่ยหลายคนเขาบอกว่าคุณจะเสียเวลาไปให้ทานทําไมจะเสียเวลาไปมัวรักษาศีลทำไมไปปฏิบัติเลยทางตรงบรรลุเร็วเคยได้ยินไหมเขาพูดอย่างเนี้เออเคยได้ยินน่าจะถามเมื่อคืนบอกว่าเธอเร็วเนี่ยเธอถึงหรือ ย, ยัง เห็นกันมา5ปีแล้วถึงบ้างหรื อ, อยังถึงไหนแล้วอะไรต่างเนี่ยนะนั่นหมายความว่าเราอย่าคิดว่าเมื่อเจริญภาวนาแล้วมันดีกว่าให้ทานรักษาศีลก็อย่าละการให้ทานอย่าละการรักษาศีลเพราะทานและศีลเนี่ยเป็นบาทเบื้องต้นประคับประคองภาวนาให้มั่นคงอุปมาง่ายว่าเอาล่ะนะถ้าแบ่งเจดีออกเป็น3ส่วน มีฐานเจดีย์มีองค์เจดีย์มียอดเจดีย์ส่วนไหนสูงที่สุดั้งนั้นเราไม่ต้องวางฐานไม่ต้องสร้างองค์เจดีย์เอายอดปักปึ๊บเป็นเจดีย์เลยดีไหมไม่ได้อีกขาดฐานรองรับอุปมาแนวเดียวกันก็คือว่าเรายังไม่ได้ให้ทานเนี่ยนะเราจะภาวนาไปขนาดไหนอีกหน่อยก็ท้อแท้เบื่อหน่ายแล้วก็กลับแล้วก็จะเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียเวลาเปล่า เอาละพอใครได้ให้ทานแล้วนะยังน้อยเป็นนั่งภาวนาไม่รู้เรื่องอะไรพอนึกทานที่ใ ห, ให้เกิดอิ่มใจขึ้นมาพลังที่จะนั่งอยู่ตรงนั้นได้นานนะ่ยมีมากขึ้นละในขณะที่รักษาศีลมาดีให้ทานมาดีรักษาศีลมาดีในขณะที่มานั่งภาวนากรรมฐานไม่เจงเกิ่นไม่ปรากฏอะไรมีแต่ความเบื่อหน่ายมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความปวดเมื่อยปวดแข้งปวดขานั่งพลิกแล้วพี่อีกขยับแล้วขยับอีกยอยากจะหนีอยากจะลุกอยากจะเลิก แต่พอมานั่งทบทวนดูทานเคยให้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปีติและปราโมทย์เกิดขึ้นเพราะให้ทานรักษาศีลมาดีอย่างนี้อย่างนี้ความที่จิตฟุ้งซ่านรําคาญใจเพราะมีความสมบูรณ์ด้วยศีลลาคาญเพรา ะ, มะแมลงสัตว์กัดต่อยก็ไม่ได้มีลาคาญเพราะเย็นร้อนก็ไม่ได้มีความฟุ้งซ่านของจิตมันไม่ได้มีอันนั้นเมื่อมีปีติเกิดขึ้นความรําคาญใจไม่ได้มีสมาธิเกิดเร็ว คนให้ทานก่อนรักษาศินก่อนไปนั่งสมาธิภาวนาทําได้ดีกว่าคนไม่ได้กินข้าวคําที่1นึถึงสิ 9, ไปกินคําที่20ไม่มีทางจะอิ่มใช่ไหมก็ต้องค่อยๆกินไปตามลาดับลาดับมันถึงคําที่20เมื่อไหร่มันก็อิ่มเนี่ยนะอุปมาให้ฟังแต่นักข่าวกุศลสูประสัมพันเนี่ยอันไหนที่เป็นความดีเป็นบุญกุศลทั้งหลายต้องทําให้ครบถ้วนทุกอย่างเพราะบุญกุศลแต่ละด้านแต่ละส่วนเนี่ย จะเอเื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันแม้คนเจริญภาวนาเมื่อเห็นว่าเจริญภาวนาแล้วขาดพลังที่จะประคับประองภาวนาให้เจริญเนี่ยเขาก็หันมาให้ทานก่อนได้ให้ทานไปพร้อมกันได้เพื่อประคับประองรักษาศีลไปด้วยกันเพื่อประคับประองดังนั้นวิธีการปฏิบัติกรรมาฐานจึงเป็นไปพร้อมด้วยทั้งให้ทานและรักษาศีลขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่ได้ภาวนาไม่เจริญ นังไปก็ไม่หลับก็ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านก็หลับอยู่ตั้งนี้ยนะจิตที่จะนิ่งดิ่งไปสู่อารมณ์กรรมฐานที่บริกรรมอยู่เนี่ยหายากนะอันนี้เป็นโอวาทข้อที่2นะนี่ขยายให้พอสมควรนะต่อไปโอวาทข้อที่3ก็คือส จ, จิตระปริโยธปนังจิตุบาทใดที่เกิดขึ้นโดยอํานาจของโลภะด้วยกราคะด้วยตัณหา แต่ถ้าว่าโดยทํานองของสายธรรมที่มันสอดคล้องตรงกันเนี่ยพุทธเจ้าก็จะตรัสว่าราคะมานะทิฐิมีสายเดียวกันนะถ้าไม่ว่างราคะมานะทิฏฐิก็ว่าเสียวหม่ว่าโลภโทสะโมหะมีสายเดียวกันนะอย่าปนกันนะราคะมานะทิฐิก็คือโลภโทสะโมหะนั่นแหละแต่งเรียกที่แตกต่างกันเมื่อไหรจะเรียกว่าราคะก็ต้องเรียกให้ตรงกัน มืนเวลาจะเรียกพระกับโยมอ่ะพระกับโยมอ่ะตรงกันบรณชิตกับเครือขัดตรงกันไม่ใช่บัณชิตกับโยมนี่ไม่เข้ากันแล้วนะแม้จะรู้อยู่ว่าคือใครแต่ว่าคู่ของภาษาไม่ไม่สอดคล้องกันดัง น, นั้นเมื่อจะก ล, ะล่าวโลภะก็ต้องโทสะโมหะเมื่อจะกล่าววังราคะก็ต้องมีมานะทิฐิเมื่อไหร่จิตเราบริกรรมภาวนานิมิตเอาภาวนาเอาคำบริกรรมในเป็นนิมิตของอารมณ์กรรมฐานอยู่นะราคะเกิดขึ้น ปรากฏชัดกว่ากรรมฐานก็ให้รู้ว่าเวลาเนี่ยถูกราคาถูกความพึงพอใจในอะไรสักอย่างที่มันจะปิดบังบริกรรมนิมิตที่เราบ่นเอาลองว่าพูดสิพูดอย่างนี้เลยหรือพูดออกไปอย่างนี้เอาโทรก็ไม่ได้โทรออกไปอย่างนี้ดังนั้นคําพูดเนี่ยไม่ว่าพูดในว่าโทรลมมันออกหมดถูกไหมเวลาพูดเนี่ยจะพูดว่าพูดจะพูดว่าโทรเนี่ยมันลมออกหมดเลยคําพูดทุกคำอ่ะมันลมออกมาจากภายใน ภายในออกมาพุ่งออกมาหมดเพื่อจะได้เสียงสัมผัสกับฐานของเสียงออกมาดังนั้ น, นคําบริกรรมด้วยพุทโธเนี่ยจึงไม่ได้หมายถึงเสียงที่ออกมาแต่หมายถึงว่าให้ได้คุ้นเคยกับคําว่าพุทโธควบควบู่กับลมหายใจออกหายใจเข้าแล้วเนี่ยจึงค่อยมาเป็นบริกรรมด้วยจิตบริกรรมด้วยวาจาให้รู้ก่อนแล้วค่อยมาบริกรรมด้วยจิตเขาเรียกว่ามณสิการองค์กรรมฐานด้วยจิตเท่านั้นเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องอารมณ์กรรมฐานต่อไปให้ฟัง ดังนการชำระจิตให้หมดจดเนี่ยก็คือระวังจิตที่ยังไม่มีราคะอย่าให้มีราคะที่ยังไม่มีมานะก็อย่าให้มีมานะที่ยังไม่มีทิฏฐิก็อย่าให้มีทิฏฐิหรือถ้าจิตมีราคะมานะทิฏฐิอยู่ก็หาข้อใดๆซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกันเนี่ยมาบรรเทาให้มันน้อยลงน้อยลงให้ลงเช่นจิตราคะเนี่ยพึงพอใจเห็นแก่ได้จะเอาแก่ได้เราก็ใช้การให้ทานเนี่ยบรรเทาได้ ด้วยการสละด้วยการแบ่งด้วยการให้ด้วยจิตมุ่งที่จะให้อันนี้เพื่อบรรเทาความเห็นแก่จะเอาได้ในขณะที่มานะเกิดขึ้นเปรียบเทียบว่าันนั้นดีกว่านี้นี่ยาวกว่านั้นนั้นสั้นกว่านี้นี่ขาวกว่านี้นี้ดํากว่านี้อันนี้การเปรียบเทียบทุกอย่างคือค่าของมานะมานะนี่ไม่ได้แปลว่าถือตนข่มท่านเท่านั้นนะการเปรียบเทียบทุกอย่างใครยังมีความเปรียบเทียบอยู่ในเพื่อนน้ำมสีสวยของเรานะความคิดนี้เกิดขึ้นมาคือด้วยอํานาจของมานะนะ มาณะพอได้ของมาสองชิ้นยี่ห้อเดียวกันอย่างเดียวเอออันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ไม่ดีเท่าอันนี้อันนี้สั้นอันนี้ยาวอันนี้ขาวอันนี้ดําอันนี้สว่างอันนี้มืดทุกอย่างที่เกิดค่าความเปรียบเทียบนี้ให้เข้าใจเลยว่านั่นคือค่าของมานะทั้งสิ้นนะเพราะมานะนี่คือค่าเทียบเคียงเทียบเคียงอยู่3รูปของการเทียบเคียงเช่นมองว่าดีกว่าก็มานะมองว่าแย่กว่าก็มานะ เอามองกลางพอๆกันออก็ยังมานะอยู่ในมานะสคูณเข้าเป็นมานะเที่ว่าเนี่ยเรายิ่งกว่าเขาก็เข้าใจว่าตัวเองยิ่งกว่าเขาเรายิ่งกว่าเขาก็เข้าใจว่าเสมอเขาเรายิ่งกว่าเขาเข้าใจว่าด้อยกว่าเขาในในอย่างนี้เป็นต้นไอ้ข้อเสมอข้อด้อยก็เทียบคูณ3แบบเดียวกันเนี่ยอย่างเนี้ยด้วยอำนาจของมานะส่วนทิศทินั้นตาเห็นรูปก็ไม่ทันได้พิจารณาหูได้ฟังเสียงก็ไม่ทันได้พิจารณา ชอบก็ชอบไปเลยชังก็ชังไปเลยไม่ทันได้มนสิการโดยซ้ำว่าเวลานี้จกักขูปัสสาละสัมผัสกับรูปารมจกักขูวิญญาณรับรู้สัมผัสเนี่ยไม่ทันที่พิ่นาอย่างนี้อยู่ชอบไปแล้วชังไปแล้วอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิความที่จิตหลงไปไม่ทันใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณายังไม่ได้แยกแยะว่าอะไรดีไม่ดีด้วยซ้ำชอบแล้วชังแล้วเพราะความชอบความชังไม่ใช่ค่าของความดีและไม่ดี ไม่ใช่อะไรว่ชอบแล้วดีอะไรชังไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุภายนอกเป็นค่าบอกว่าดีหรือไม่ดีแต่มันอยู่ที่ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในภายในต่างหากนะอันนี้ท่านจะบอกว่าใครเจริญภาวนาอยู่เพื่อกันบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดบาปอกุศลที่เกิดอยู่แล้วให้เบาบางแล้วค่อยๆเลือนจางหายไปจนสิ้นจริงๆเลย เป็นการชำรัจิตของตัวเองให้หมดจดคำว่าหมดจดในความหมายนี้แตกต่างอย่างนี้ตอนนี้ถ้าเทียบองโอวาทปปติโมก3์สส่วนเทียบเคียงกันแล้วโอวาทัาปตาิโมกข้อ1ไม่ทำบาทั้งพวงเนี่ยคือพยายามรักษาจิตไม่ให้เกิดจิตุบาทขึ้นว่าจะทำชั่วหรือกายวาจาใจอันที่2ทํทำกุศลในถึงพร้อมเนี่ยท่านเอาตั้งแต่การให้ทานไปจนถึงขั้นอรหัตตมัคคยาน ตั้งแต่เริ่มทำคว า, วาวมดีเล็กๆน้อยๆไปจนถึงสูงสุดถึงขั้นอรหัตตมัคคยานถึงพระอเสขบุคคลให้อขอไปถึงพระเสขบุคคลเจ็ดำพวกเลยทีเดียวมีข้อที่สามนั้นว่าชำระ จ, จิตให้หมดจดเนี่ยหมายถึงอรหัตตผลเป็นในงานการแบ่งโอวาทวิโมกษ์สาข้อ น, นี่ถ้าจะกล่าว โอวาทปฏติโมตยยอกล่าวแค่3ามข้อนี้ครอบคลุมหมดในส่วนที่จะกล่าวอีก10ข้อก็ลงอยู่ในนี้แหละดังนั้นเวลาท่านกล่าวโอวาทปฏิโมตย์ o, ท่านพูดแค่นี้สัพาปาปัสะกา ร, ก ร, าาา ะ, ร, าระนังกุสระสูปสัมปทาสจิตต์ประโยชน์ทัพนังเอตังพุทธานาสาสนังจบและเพราะอีก10อย่างที่จะกล่าวต่อไปนะครับเป็นลูกย่อยๆๆของทั้ง3ส่วนใหญ่ แต่เมื่อยังทำา3ส่วนนี้ยังไม่ได้อัธยาศัยยังไม่เข้มข้นการน้อมนำสู่คุณชั้นสูงเนี่ยยังไม่พร้อมก็นำสิบอย่างที่เหลือมาพิจารณาซิว่าเราขาดอะไรอยู่ตรงไหนนำมาตรวจสอบนำมาทบทวนนำมาเทียบเคียงนำมาปรับปรุงในส่วนที่ขาดเพื่อจะเข้าถึง3ส่วนแรกเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมาดูข้อต่อไปคันตีปรมังตโปติติขามีความอดทนไหมอดทนอะไรบ้าง อดทนต่อแดดร้อนไหมอดทนต่อลมหนาวไหมอดทนต่อยุงกัดต่อยไหมอดทนต่อเวทนาที่เกิดขึ้นเวลานี้ไหมที่สําคัญที่สุดที่คนอดทนได้ยากอดทนได้ไหมคืออดทนต่อคําล่วงเกินของคนอื่นอดทนได้ไหมเขาตําหนิหน่อยหนึ่งก็ทนไม่ไหวเขาชี้ทางบอกถูกบอกผิดหน่อยหนึ่งก็ทนไม่ไหว แล้วยิ่งเขามากล่าวร้ายด้วยละ่ะกล่าวตู่ใส่ข้อหาต่างต่างทั้งที่เราไม่ผิดโอ้ยิ่งจะทนไม่ไหวเลยใช่ไหมนั้นคำว่าขันตีปรมังตโปติติขาเนี่ยใครก็ตามมีความอดทนให้เรียกผู้นั้นว่ากำลังบําเพนตะบะเพราะคาว่าตะบะในที่นี้หมายถึงความอดทนขันตีปรมังตะโปติติขาเนี่ยความอดทนได้อดกลั้นได้ เป็นการบรําเพ็ญ ต, ะตะบะขั้นสูงนะเป็นการบรําเพ็ญตะบะขั้นสูงต่อไปอีกข้อหนึ่งนิพพานังปรมังวัตถันติพุท ธ, ธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมที่สูงสุดคําว่านิพพานเนี่ยมันจะสอดคล้องกับคําที่จะอธิบายต่อไปเพราะคําว่านิพพานเนี่ยแปลว่าดับอะไรดับ ไฟดับหรือถ้าไฟคือราคะใช่ถ้าไฟหลอดหลอดไฟตะเกียงไฟอะไรนี่ไม่ใช่ไฟดับไฟคืออะไรไฟคือโทสะหรือใช่ไฟดับในไฟคืออะไรคือโมหะหรือใช่ไฟคือราคะโทสะโมหะดับแม้แต่เชื้อของไฟคือตันหาหรืออวิชชาที่อยู่ส่วนลึกๆเนี่ยเมื่อดับแล้วมันจะไม่จุดติดขึ้นมาได้อีกเนี่ยมันดับไปหมดพร้อมทั้งเชื้อเนี่ยอย่างนี้จึงเรียกว่านิพพานที่แท้จริง พระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงสรรเสริญว่านิพพานนั้นเป็นธรรมขั้นสูงสูงที่สุดเท่าที่มีได้เอ่ยชื่อว่าธรรมได้คือนิพพานต่อมาอีกนะหิปพัพพิโตปังรูประคาตีปังรู ป, ร ะ, ประคาตีผู้เบียดเบียนคนอื่นประระแปลว่าคนอื่นอุปคาตีแปลว่าผู้มีปกติเบียดเบียนเบียดเบียนบุคคลอื่นในที่นี้เนี่ยคือเบียดเบียนด้วยกายและวาจา ผู้เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายและวาจาอยู่ณนะปัจชิตโตไม่ชื่อว่าเป็นบัรพิตไม่ชื่อว่าผู้ได้รับการบัรพชาเลยยงเคยได้บัรพชาบ้างไหมผู้หญิงบัรพชาไม่ได้ไม่ใช่บัญพชาในศาสนาที่ผู้เจ้าแสดงมีหลายประเภทบัญภะชาแต่ก็สามารถสงเคราะห์ได้สองประเภทหลักใหญ่ๆคือหนึ่ง อาคาริยะบรพชาบวชถือบวชก็คือมีข้อวัดปฏิบัติเหมือนนักบวชแต่ยังอยู่ของเรือนยังอยู่ในบ้านยังประกอบสา ม, มาอาชีพตามปกติแต่มีธรรมเหมือนนักบวช 2. อ, อานาาคาริยะบรพชาบวชหมดเลยเรือนก็ไม่อยู่อะไรที่เป็นสิ่งปลูกสร้างเนี่ยไม่อยู่เลย ไปอยู่ตามที่ว่างอยู่โคนไม้อยู่ในที่ที่ไม่มีใครแสดงความเป็นเจ้าของเรียกว่าอาคางริยะหรืออนาคางริยะบรรญชายงใครบวชชีพรามไหมใครบวชเนคขมะนางรีเนคขมะปฏิบัติเนี่ยการบวชเหล่านี้ถ้าเมื่อไหร่เรามีกายหลีกและมีจิตหลีกเนี่ย ก็เป็นบวชประเภทที่สองคืออนาคาลียะบรญประชาบวชทั้งกายบวชทั้งใจแต่ถ้าอันไหนเป็นบวชแต่ใจแต่กายยังไม่หลีกเนี่ยเขาก็เรียกว่าอาคาลียะปัปปะชาหรือบรระชาบวชแต่ใจแต่กายยังไม่บวชอย่างนี้เป็นต้นถ้าจะถามอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนเคยบวชอยู่ที่บ้านโอ้วันนี้วันพระวันนี้วันอุโบสถตั้งใจสมาทานองค์อุโบสถอยู่กับบ้าน ไม่ทํากิจใดๆที่จะเป็นจุดล่อแหลมต่อก า, ารล่วงองค์อุโบสถค อ, อยระมัดระวังสํารวมกายวาจาใจอยู่เนืองเนืองมานาสิการในองคอุโบสถนําองคอุโบสถมาพิจารณาอยู่เสมอว่าองค์อุโบสถไหนเราสมบูรณ์แล้วองค์อุโบสถไหนยังไม่สมบูรณ์องคอุโบสถไหนเคยขาดเคยแหว่งและองอุโบสถไหนกาลังซ่อมแซมให้สมบูรณ์อยู่พิจารณาในองอุโบสถ ต, ตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนหนึ่งวัน1นึ่คืนเต็มเตมอย่างเนี้ย ก็ชื่อว่าการบวชอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าอะคางเรียปปัชชาการบวชที่ยังอยู่ในเรือนเขาว่าอยู่ในเรือนก็คืออยู่ในที่ที่เราเป็นเจ้าของอยู่ในที่ไม่มีเรือนคือไม่มีใครๆเป็นเจ้าของอย่างนี้เป็นต้นนะต่อมาข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่เจ็ดต่อไปข้อที่7สมโนโหติปังรังวิเหทยันโตคําว่าวิเหทยันโตเนี่ยนะ แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนผู้ไม่เบียดเบียนในที่หมายเอาจิตเท่านั้นวิเหทยันโตก็คือผู้ไม่มีจิตคิดร้ายต่อผู้อื่นก็ชื่อว่าเป็นสมณะได้ถ้าผู้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ใช่บรรพชิตแต่ผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยจิตเนี่ยก็เป็นสมณะคำว่าเป็นสมณะในนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นพระนะไม่ได้หมายถึงใส่ผ้ากาสัพัดนะ แต่หมายถึงผู้มีจิตสงบเพราะคาว่าสมณะแปลว่าผู้มีจิตสงบใครมีจิตไม่เบียดเบียนผู้นั้นจิตสงบถูกไหมเขาเรียกผู้มีจิตสงบอะ น, นะนี่ความหมายนีถ้าจิตไม่สงบเพราะจิตเป็นไปด้ยวยอำนาจของความอยากได้บ้างดยอำนาจความไม่อยากได้บ้างด้วยอำนาจความหลงบ้างนี่ไม่สงบแต่ถ้า ปราศจากความโลภความโกรธความหลงและจิตมันสงบชื่อวสมณะได้แล้วนะต่อไปข้อที่8อนุประวาโทไม่กล่าวร้ายไม่พูดร้ายจะพูดร้ายกับคนอื่นพูดร้ายกับตัวเองหรือพูดร้ายอยู่คนเดียวยังไงก็ช่างแต่บางคนที่ชอบพูดร้ายเห็นอะไรก็พูดร้ายไปหมดนะบางคนนะเอ๊ะเ ว, ว, ว, ว, ว, ว, วกเวกไปเรื่อยอยู่คนเดียวก็พูดอันนี้เป็นคนปกติพูดร้าย ถ้าไปเห็นอะไรที่ขัดเคืองยิ่งต้องรุนแรงเดือดดานนะส่วนอนุปคาโตนีแปลว่าผู้ทาร้ายนะทำร้ายนะทําทร้ายด้วยกายอย่างหนึ่งทําร้ายด้วยวาจา ย, ย่างหนึ่งนั่นะคือมุ่งไปให้วิบัติเป็นสำคัญเช่นยุงนะตอนแรกก็จิตนะเห็นยุงบินได้ยินเสียงยุงบินวิวิว ว, วจิตคิดจะพยาบาทจองเวรกันะ อย่ามากัดฉันนะไปที่อื่นนะคนมีตั้งเยอะตั้งแยะ ม, มาตอมทําไมฉันเนี่ยไปให้ไกลไกลเลยนะเพราพูดอย่างนี้ทีไรนะจริงๆมันบินไปไกลแล้วนะแต่จิตคิดร้ายมันเกิดขึ้นมันบินไปที่ไหนก็จะได้ยินเสียงมันวิวิมันอยู่ใกล้ใมือไปด้วยอนุปวาโทนั้นกล่าวร้ายส่วนอนุปคขาโตเนี่ยทำร้ายทั้งสองอย่างมุ่งไปสู่ความวิบัติเป็นสําคัญมุ่งไปสู่ความวิบัติมุ่งไปให้พินาศเป็นสําคัญนะส่วนปาติโมคเขจะสังวังโรเนี่ย หมายถึงสํารวมในปาติโมกเข้าใจคําว่าปาติโมกไหมคําว่าปาติโมกไม่ได้แปลว่าศีลพระนะปาติโมกมีความหมายสองอย่างหนึ่งป้องกันไม่ให้ตกสู่ที่ต่ำสองประคับประคองให้อยู่ในที่ที่เจริญเพราะปาติโมกเนี่ยแปลว่าเขตป้องกันไม่ให้ตกต่ําถ้าเป็นพระสํารวมในปาติโมกก็ป้องกันตัวเองไม่ให้ตกสู่ที่ต่ําไม่ตกสู่อบายไม่ตกไปสู่ที่ชั่ว เพราะคำว่าปาติโมกเนี่ยหมายถึงป้องกันไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วนะส่วนของโยมก็เหมือนกันถ้าสำรวมในปาติโมกสำรวมในปาติโมกเป็นอย่างไรสำรวมในปาติโมกเนี่ยก็คือพยายามประคับประคองจิตของตัวเองเอาไว้ไม่ให้ตกต่ำไปได้ด้วยอำนาจของอกุศลรักษาจิตอย่าให้ถูกอกุศลครอบงานี่เรียกว่าสารวมในปาติโมกต่อไปข้อที่ เท่าไรแล้วข้อที่11มัตตัญยุตตาจะพัตตสงรู้จักประมาณในการบริโภคโดยเฉพาะเรื่องอาหารคาว่าอาหารในนี้กล่าวโดยเป็นประธานเท่านั้นแต่หมายถึงปจัจจัย4เราบริโภคอาหารรู้จักประมาณไหมถ้าไม่ถูกบังคับว่ากลัวจะอ้วนบางทีมันก็เลยเหมือนกันนะ พรอร่อยอร่อยแล้วไม่รู้กี่คําไปแล้วไม่รู้กี่จานแล้วอะไรต่างาเพราะนี้คำว่างรู้จักประมาณในความหมายนี้ท่านบอกว่าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอาหารมื้อหนึ่งเนี่ยเรากิน20คําอิ่มพอดีเหมือนเมื่อกี้เนี่ยให้ตัดออกซะ 3- 4คํา่คำกะว่าอีก3 4คําจะอิ่มให้หยุดแล้วก็ดื่มน้ําตามก็ะจะอิ่มพอดีพอดีไม่จุกไม่อึอดอัดไม่แน่นร่างกายเดินคล่องแคล่วว่องไว ไม่อืดอาดไม่ถูกทินะมัดมีทะครอบงำเห็นกะว่าถ้าสมมตินคนกินน้อยกินเท่าไหร่กระชั่งอ่ะกะว่าอีกสักสามคำจะอิ่มให้หยุดแล้วก็ดื่มน้ำตามก็จะพอดีพอดีนี่คือประมาณในการกินอาหารและประมาณของเสื้อผ้าละ่ะไม่อยากจะถามโดวยว่าโยมมีเสื้อผ้าคนละกี่ชุด <c oughs> เมื่อก่อนเคย <c oughs> เคยดูข่าวนางอะไรนะ <c oughs> อาชิโนใช่อาชิโนใช่ห ฟิลิปลปินมีรองเท้าตั้ง3 0 0พคู่ใช่ไหมสร้างคอนโดหลังหนึ่งสำหรับเก็บรองเท้าโดยเฉพาะไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีจึงจะวนมาใช้คู่ซ้ำเดิมอีกทีหนึ่งอย่าไปว่าเลยนั่นเขาอาจจะพยายามใช้มันครบอยู่แต่ของเราเนี่ยมีหลายอย่างที่ซื้อมาหลายปียังไม่ได้ใช้พอไปเห็นเสื้อโอ้เสื้อสวยนะทันสมัยนะเนี่ยซื้อมาซื้มาก็ซุกอยู่นะั่นะ วันนี้ก็ฝุ่นจับเกะอยู่แต่ว่ายัางไม่ได้ใช้นะมีอีกหลายๆอย่างที่เราเห็นแล้วอยากได้ซื้อมาไม่ได้ใช้เล ย, เยการใช้เสื้อผ้าที่รู้จักประมาณให้ท่านว่าอย่างนี้ลองสละชุดไหนที่เราไม่ชอบที่สุดก่อนสละทิ้งทิ้งไปเลยก็ได้หรือจะทิ้งเพื่อจะเอื้อเฟื้อคนอื่นเขาไปบริจาคให้ฐานใครก็ได้ที่เขาไม่มีเสื้อผ้าดีๆให้ไปเลยให้แล้วมาพิจารณาดูซิว่าเออเราขาดชวดนี้เรายังอยู่ได้ไหมอยู่ได้ เราคิดถึงชุดที่สองอีกถ้าชุดที่2เราจะสละทิ้งไปเราจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้ก็สละสิชุดที่3ต่อไปถ้าสละชุดนี้เราจะยังอยู่ได้ไหมอยู่ได้ก็สละไปสละไปสละไปจนเห็นว่าสละชุดนี้ไม่ได้อีกแล้วจะอยู่ไม่ได้แล้วคาว่าอยู่ไม่ได้ไม่ใช่จะร้องไห้คิดถึงมันนะแต่หมายถึงว่ามันไม่สามารถจะป้องกันความร้อนความหนาวหรือป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกแล้วนั่นแหละค่อยเอาชุดเหล่านั้นไว้นี่เรียกว่ารู้จักประมาณ รู้จักประมาณแต่วันนี้เรามันเกินประมาณแต่เยอะไปหมดเรื่องเสนาสนะก็เหมือนกันนะผู้มาถือศีลเขาบอกว่าเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เออสูงใหญ่มันเป็นยังไงเอาใหญ่ก่อนแล้วกันคำว่าใหญ่เนี่ยสมมติว่าเรานอนตะแคงมือขวาอยู่พลิกมาข้างหลัง อ, อ, อ้อมไปถึงนอนตะแคงมือซ้าย สุดที่ไหนที่นอนสุดที่นั่นเรียกว่ายังไม่ใหญ่แต่ถ้าพิกมาจากซ้ายมาขวาแล้วมันยังไม่สุดที่ต้องยังพลิกได้อีกนะนั่นคือที่นอนใหญ่ <c oughs> ที่บ้านกใหญ่เกินกว่านี้ไหมเ <c oughs> ตียงนอนโอ้โหกิ้งไป3ามรอบยังไม่ตกเลย <c oughs> นั่นที่นอนใหญ่ทีนี้ที่นอนสูงเป็นอย่างไรไม่ได้หมายถึงขามัมนสูง ๆ, ๆนะ ไดหมายถึงสิ่งที่เราปูนอนเนี่ยนะบนเตียงไม้เตียงหินเตียงอะไรก็แล้วแต่เมื่อฟูกที่มันนิ่มๆเนี่ยเรานอนทับลงไปแล้วมันไม่สามารถจะยุบไปสัมผัสกับพื้นผิวกระดานเดิมได้เนี่ยนั่นเรียกว่าที่นอนสูงแต่ถ้านอนแล้วสัมผัสตับเข้าไปเลยนะถึงกระดานเลยนั่นที่นอนไม่สูงทีนี้ก็ไปคํานวณอว่าเวลารักษาศีลข้อ8เนี่ยนะไม่นอนในที่นอนสูงใหญ่เนะี่ยเป็นอย่างนี้นะ พริกจากซ้ายมาถึงขวาสุดเท่านั้นคือที่นอนไม่ใหญ่ถ้าเกินนั้นใหญ่ถ้านอนลงไปไม่สัมผัสพื้นเดิมเนี่ยเรียกว่าสูงนะมันจะหนาเท่าไหร่ไม่สาคัญเนี่ยคือที่นอนสูงใหญ่ในบาลีดังนั้นรู้จักประมาณก็ต้องรู้จักอย่างนี้แต่ว่าคาว่าประมาณในนี้ท่านเน้นที่อาหารเป็นสาคัญเพราะว่าข้อต่อไปเนี่ยเรื่องที่นั่งที่นอนเป็นข้อที่12บัองัณจะสยนาสนัง การนอนในที่นั่งที่นอนอันส ง, งัดส ง, งบเงียบคาว่าส ง, งัดในความหมายนี้หมายอย่างไรเอางนีะ้ถ้าถ้าเราไปนั่งอยู่ในที่ไหนถ้าจะนั่งเจริญภาวนานะยื่นมือขวาไปก่อนเออสุดปลายมือควักควักหาดูเอ อ, ไ ม, อ, เ อ, อไม่มีใครนะยื่นมือซ้ายไปปั๊บควักควดูเออไม่มีใครนะเนี่ยคือบริเวณที่นั่งของตัวเองละถ้ายื่นไปเอาแทงนี้ถึงคนแล้วยื่นมือนี้ถึงคนแล้วทางนี้ทางนี้ถึงคนแล้ มันไม่ใช่ที่นั่งที่นอนอันสงัดเพราะมันเป็นที่นั่งได้แต่มันนอนไม่ได้อ่ะถ้านอนก็ขาจะไปถีบเขาคนข้างอนอนไม่ได้งั้นที่นั่งที่นอนอันสงัดเนี่ยนั่งก็ได้นอนก็ได้ในที่เดียวคือที่ไม่แออัดยัดเยียดอะไม่เบียดเสียดอ่ะเรียกว่าที่นั่งที่นอนอันสงัดที่ว่าเนี่ยไม่พอที่จะได้ยินเสียงลมหายใจคนที่อยู่ข้างข้างอะถ้ามานั่งเบียดกันเขาก็บางที คนเพลอที่น้ำมิทะครอบงําอาจจะได้ยินเสียงหายใจแดงแรงขึ้นใช่ไหมคนกําลังจะหลับหายใจแรงขึ้นแล้วถึงจะนั่งตรงแป้งอยู่เขาไม่รู้ก็ช่างนะแต่เสียงหายใจจะเริ่มดังขึ้นนะคนกําลังหยั่งลงสู่ความหลับก็เรียว่าหยั่งลงสู่ความหลับลมหายใจมันก็จะดังขึ้นเพราะสติครอบควบคุมลมหายใจไม่มีาจากนี้เป็นต้น นั่งการอยู่ที่นั่งที่นอนที่สงัดเนี่ยคือที่ที่นั่งก็ได้นอนก็ได้สัปปายะแก่การจเจริญสมาธิและข้อสุดท้ายข้อ13อธิจิตเตจะอาโยโคลอะทิจตเตจอาโยโคการประกอบความเพียรอยู่เนืองๆในจิตในจิตทุกขณะมีการฝึกฝนฝึกฝนยังไงฝึกฝนจิตไม่ให้ถูก บาปอากุศลครอมงำฝึกฝนจิตให้ใยในการสร้างบุญสร้างกุศลถ้าทําได้อย่างนี้เขาเรียกว่าอาธิจิตเตจะอาโยโคจิต น, นี้ต้องหมายถึงอธิจิตเท่านั้นนะไม่ใช่จิตธรรมดานะต้องจิตที่ถ้าเป็นความเพียรต้องเพียรขั้นอุกฤษไม่ใช่เพียรย่อหย่อนไม่ใช่ทําท่าทําทางเหมือนเขาเขาเรียกว่าเพียร น, นะจิตนี้ ต้องเป็นอธิจิตอธิจิตนะ้หมายถึงอย่างไรหมายถึงจิตที่กําลังประกอบอยู่ในอธิสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเขาเรียกว่าอธิศีลอธิสมาธิและอธิปัญญาจิตได้ประกอบในอธิศีลแม้จะสมาทานศีลก็ตั้งจิตมุ่งมั่นว่าเราจะรักษาศีลแม้จะสละอวัยวะและชีวิตก็ตามแต่รักษาศีลไม่ให้ขาด ยอมขาดอวัยวะและชีวิตอุปมาเหมือนกับว่าจามังกรีรู้จักจามังกรีไหมรู้จักกระทิงป่าไหมเคยได้ยินแต่ไม่รู้ตัวมันเป็นยังไงกระทิงป่าหรือจามังกรีเนี่ยอยู่เทือกเขาเหิมาลัย mm hmm. เขาบอกว่าจามังกรีเนี่ยรักหางของมันมากที่สุดไม่มีส่วนไหนที่มันรักเท่ากับหางของมันถ้ามันเดินกินและเลมหญ้าไปตาม เขาตามซอกเขาตามไหล่เขาก็ช่างมันตวัดหางไล่มแมลงตะวัดไปตะวัดมาหางไปเกี่ยวเข้าดนหนามหรือดนเสี้ยนกาบไม้ติดมันจะไม่กระตุกหางให้หางหลุดออกมาเพื่อจะขนหางขาดนะมันจะยอมยืนตายอยู่นั่นเลยเพราะรักษาหางไม่ให้ขาดมันโง่หรือมันฉลาดอนะ่ะ <c oughs> ถ้าเราคิดแล้วว่าเราคิดแบบฉลาดนะ่ะโอ้ยกระถิ่งนี่มันโง่นะ โอ้โยโง่สิสละชีวิตเพื่อจะรักษาหางแค่นั้นหางมีประโยชน์อะไรนะักแต่ผู้เจ้ามาพริกว่าให้รักษาศีลเหมือนจมามรีรักษาหางจะไม่ทําลายศีลให้ขาดเพราะเห็นแก่ชีวิตเพราะเห็นแก่อวัยวะจะสละอวัยวะและชีวิตนี้เพื่อรักษาศีลไม่ให้ขาดไม่ทําลายเพราะอวัยวะนี้ขี้ริ้วขี้เหรอยู่แล้วชาติเนี้ยมองไปตรงไหนก็มีแต่ขี้เต็มไปหมดใช่ไหมรู้ว่าตาขี้ริ้วขี้เหรอยู่แล้ว การรักษาศีลสมบูรณ์พบหน้าดังหากที่อวัยวะมันจะครบถ้วนสมบูรณ์ผิวพรรณงดงามใช่ไหมทางการรักษาเพาะเห็นประโยชน์และเห็นโทษเห็นโทษของการขาดศีลเห็นประโยชน์เพราะมีศีลสมบูรณ์จึงกล้าที่จะสละอวัยวะและชีวิตเพื่อจะรักษาศีลไว้เนี่ยเรียกว่าอธิศีลไงอธิจิตอธิศีลแล้วก็อธิปัญญาอธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่งหมายถึงประเภทเจโตวีมุตและปัญญาวีมุติ เจโตวิมุตติหมายถึงใครก็ตามที่ได้ฌานมาก่อนจังเกินสมาธิมาก่อนแล้วค่อยยกขึ้นสู่วิปัสสนาจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านเรียกวิธีบรรลุของผู้เคยได้ฌานมาก่อนว่าเจโตวิมุตติแล้วเรียกใครก็ตามที่ไม่เคยจังเกินสมาธิมาเลยไม่เคยได้ฌานมาก่อนฟังธรรมหรือปฏิบัติใช้วิปัสสนาแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเรียกว่าปัญญาวิมุตติ2 ส, ส่วนนี้คือผลของอธิจิตเตชะอายโค เนี่ยคือโอวาทปาติโมกที่พระพุทธเจ้าแสดงในวันจาถุงรงคสันิบาตเนื่องในวันมาฆบูชาที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้วันนี้เราได้ฟังเรื่องโอวาทปาติโมกเสร็จแล้วเนี่ยนำมาพินิษ์พิจารณาดูซิว่าพรุ่งนี้ความเป็นเราในวันมาฆบูชาถ้าเราเป็นในหนึ่งในจำนวนพระอังกยษสาวกห2 0 0รรูปหรือไม่ใช่ก็ตามเราเป็นหมูหมาเป็ดไก่มแมลง หรือสัตว์ชนิดต่างๆที่อยู่ในวัดพระเวรุวันได้รู้ได้เห็นได้ทราบเราจะวางตัวอย่างไรหรือเราเป็นพุทธบริษัทผ่านเข้าไปในเวลาที่ผู้เจ้ากาลังแสดงโอวาทาปาฏิโมกข์ให้แก่พระริยาสาวกหนึ่ันร้อยห้รูปฟังอยู่เนี่ยเราจะวางตัวอย่างไรเราจะทําใจอย่างไรณนะเวลานั้นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็รู้กันว่า ใครจะตื่นทันตะวันขึ้นไหมวันมาอาขาบูชาเนี่ยตื่นตื่นเช้าสักวันแต่ดีหน่อยคนกรุงเทพอ่ะต้องไปทำงานไกลยังตื่นแต่เช้าแต่ถ้าคนพอพอมีพอกินก็นุ่นแหละโบราณเขาบอกว่าตะวันแทงก้นมันยังไม่ตื่นอะไรงรนี้ตอนนี้ก็มีโครงการใช่ั้ยออกข่าวทีวีอยู่มีโครงการแก้ปัญหานักเรียนตื่นสายไปเรียนไม่ทัน เอาไปมอบให้วัด ต, ตามพระบินทบาททุกวันทุกวันวัดไหนบินทบาตแต่เช้าหน่อยไปมอบให้วัดนั้นให้เด็กคิว้วกินโตตามพระบินทบาตแล้เลยตื่นเช้าจนเคยตัวแล้วก็เดี๋ยวเร ก, ก, ก, ก, ก, ก็อายกายมาเป็นตื่นเช้าดังนั้นการฟังโอวาทปาติโมกในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งให้พิจารณาให้ถึงแก่นแก่นของโอวาทปาติโมกอย่าเพียงแต่ว่าพอวันมาฆะมาถึงก็รู้ว่าเขาถามว่าวันมาฆะคือวันอะไร อา้าวันที่พู้เจ้าแสดงโอวาทปาติโมกแสดงว่าอย่างไรเราก็จะได้บอกเขาถูกมันมีความหมายอย่างไรก็จะได้บอกถูกนะถ้าไม่รู้จะทำอะไรดีพวกนี้นะวันมาคบูชาเป็นวันหยุดเลยนะเราก็กลับไปบ้านเล่าเรื่องโอวาทปาติโมกที่ได้ฟังวันนี้แหละนะให้คนที่บ้านฟังใครละ่ะภรรยาสามีลูกหลานญาติมิตรบริวาร แม่บ้านอยู่ที่บ้านไม่มีใครมีแต่แม่บ้านก็เรียกแม่บ้านวันนี้เป็นวันมาขะจะเล่าเรื่องโอวาทัปติโมกให้ฟังเราถูกไหมลองทําดูดังนั้นในท้ายที่สุดแห่งการได้อัญเชิญโอวาทัปปิโมกที่พระพุทธเจ้าแสดงแม้จะล่วงการไปนานถึง2596ปีมาแล้วก็ตามแต่โอวาทัปปิโมกนี้ ก็ควรแก่การน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติสำหรับพวกเราทุกคนไม่ขาดไม่ทำลาย mm. เพื่อจะได้บรรลุผลอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านได้ฟังแล้วก็นำไปประกาศเผยแผ่เป็นพื้นฐานของหลักคำสอนในศาสนาจนทำให้เราได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็เป็นที่มุ่งหวังแม้ว่ามรรคผลนิพพานยังไม่ได้ในปัจจุบันก็ขอให้การ